พระภิกษุรับเงินทองหรือวัตถุที่ใช้แทนเงินทองด้วยมือของตนเองต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีเอาไปซื้ออาหารฉันต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีทุกคํากลืนเอาไปซื้อจีวรใส่เป็นอาบัตินิสักคียปาจิตตีทุกครั้งที่เปลื้องออกจากกายและเอามาโฮมอีกจนกว่าจีวรผืนนั้นจะขาด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 ต้องอาบัาติปาจิตตีอันนี้เป็นวินัยที่ข้ารืหัดจะพึงปฏิบัติต่อพระพระปฏิบัติต่อข้ารืหัดหมายเหตุข้ารืหัดก็คือญาติโยมทั่วไปนะครับที่ยังเป็นคารวาดอยู่นะฮะ